ดิเน่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ช้างตัวประเสริฐเนี่ยนะจําได้ช้างตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานเนี่ยทั้ง แต่ปกติก็จะบริจาควันละ 600,000 ชาวบ้านนี้เดือดร้อนทุกหัวระแหงข้าวยากหมากแพงฝน ก็ 8 ให้กันแล้ว 8 แล้วฝนจะตก 7 วันฝนก็ไม่ตกพระราชาก็แล 7 วันแล้วก็ไม่ พระราชอุทรสของพระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดรทรงพนมว่าพระเวสสันดรนั้นทรง นี่นะถ้าเราได้ช้างมาอยู่ในเมืองเราเนี่ยฝนเมืองเราก็จะตกเหมือนกันเพราะสมัยนั้นก็ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลเนี่ยนะมีมงคลเป็นช้างแก้วอย่างดีเลยนะช้างเผือกตัวนี้พระราชาก็ตรัสว่าเอ้อดีแล้วก็ให้ประชมเหล่าพราหมณ์ได้เลือก 8 คนเนี่ยนะเลือกพราหมณ์ 8 คนชื่อว่าพราหมณ์รามะพราหมณ์ทชะเนี่ยนะพราหมณ์ สุชาตสุยามะโกณฑัญญะแล้วก็ได้พราหมณ์ชื่อว่ารามะ แล้วก็บริโภคพัดในโรงทานเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ได้กินเนี่ยนะก็เค้าตั้งโรง je een ronkund, je gaat bij maar een je พระเสด็จไปทางปราจีนทวารคือออกออกตะวันออกพราหมณ์ 8 คนไม่ได้โอกาสในที่นั้นจึงไปสู่นะ จะเดินขวาเวียนขวาไปเพราะฉะนั้นจากทิศออกจากเมืองตอนแรกทิศ พระเวสสันดรมหาสัตย์ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งหลายก็บ่ายช้างพระที่นั่งไป 1 ว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีขนรักษ์ 8 ก็กราบ ข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลขอรัตนะซึ่งยัง ไม่ว่าจะเครียดทันทีหรือเปล่าไม่ทราบอย่าว่าขอและเชี่ยวนิดนึงก็ยังแหม งั้นแท้แต่พราหมณ์เหล่านี้มาขอทานอันเป็นของภายนอก ถ้าขอช้างอย่างนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าสกิดใจโทมนัสเข้า เพื่อจะตรวจดูที่กายของช้างที่ประดับ เอางวงช้างมาข้างนึงใช่พระราชทานทีนี้มาดูว่าทรัพย์สินที่ประดับ ออลังการที่ข้างทั้งสองของช้างข้างซ้ายข้างขวาก็ 200,000 ข้างละแสนคาย เครื่องประดับอลังการเค 3 สายสายละก็ 3 แสนแล้วก็ผู้เครื่องประดับที่หูทั้ง 2 ข้างอ่ะนะ แล้ว 2 แสนวลัยเครื่องประดับทาบที่งวงเนี่ยนะราคาอีก 100,000 เครื่องประดับตกแต่งรวมๆแล้วก็อีกแสนนึงรวม Drakha ignun sand. Room koudweek room pen ye sipsi sand. Ku chang tonin en a ton num kudman akuson num kud. Tawa upathampaka tampaka kam mandi. Chang tonin upa tampaka kam ma die mark. Persoonlijk pen chanting me rit mark, me kuum padaps, dan wat chanting me boon mark. Ku boon prophet upa tampaka kam ne. Tawa kamti num pen akusola kam. ทีนี้สิ่งที่ตีราคาไม่ได้มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันนี้สิ่งที่ตีราคาไม่ได้มีอยู่ 7 อย่างด้วยกันเนี่ย หกแห่งนี่ก็ตีประมาณไม่ได้แล้ว อฤธิรัตนะเนี่ยก็จะมีพวกเนี้ยเป็นของที่ประมูลอีกอยอย 7 อย่างให้หมด 500 สกุลเนี่ย ก็มหัศจรรย์เนี่ยแผ่นดินไหวเป็นทานโดยในเป็นต้นมาแล้วในหนหลังแผ่นดินไหวเลยนะยกให้ขนาดนั้นนะคือถ้าให้แบบทั่วๆไป ถ้าเค้าขึ้นบริจาคเลือดนะเค้าบอก เมธนีมนทนก็หวั่นไหวเมื่อพระบรมกษัตริย์พระราชทานช้างน่าสะเพ็งกลัวขนพองสะยองเกล้าชาวพระนครก็กำเริบถ้าถ้าว่าทั่วไป ได้ช้างเสร็จก็ขี่ช้างทุทัวนะเที่ยวไปพวกก็รําคาญไอ้หมันใต้ที่เรียกว่าเสียงโฆษณา เอ่อที่ที่ชาวบ้านก็ด่าพระเวสสันดรนี่มีอยู่ว่าพราหมณ์ทั้งหลายได้ช้างแถบ ก็เมื่อจะโต้ตอบกับ พระชาวพระนครก็โกรธพระบรมมโพธิสัตว์ด้วย เสียงอันกึกก้องก็แผ่ไปมากนั้นเมื่อพระเวสสันดรพระผู้พดงศรีพิรตให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเสียง คือเค้าบอกว่าครั้งนั้นชาวเมืองนี่มีจิตว่าคนที่มาประท้วงนี่มีใครบ้างเค้าบอกว่าคน แล้วก็ไม่เท่านั้นนะกองทัพมาหมดเลยกองทัพช้างก็มากองม้าก็มากอง ไกลให้พระราชาแบบนี้มาบริหารบ้านเมืองนี่โวทวายคิดว่าอัน คิดว่าเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของ เนี่ยนะขาวทั่วสารพางเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองทับมันเนี่ยนะอาจย่ำยีศัตรูได้ฝึกดีแล้วพร้อมด้วยพัทวาลวีชณีมีสีกายเนี่ยนะขาวเช่นกับเขาไกรลาสเค้าเรียกว่าช้าง เนี่ยนะประทวงกันทําหนังสือประทวงใหญ่โตเลยนะแมะเสียดายมากก็ไม่รู้อ่ะถามว่าเวลาพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายไปทําบุญที่ไหนมานะกลับมาบ้าน ควรจะพระราชทานข้าวจะพระราชทานข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มเสนาสนะเพราะว่าของเหล่านั้นน่ะสมควร พระราชทานช้างเสียทําไมถ้าหากว่าพระองค์จักไม่ทรงทํา ชาวเมืองทั้งของกษัตริย์ทั้งหมดถ้าถ้าไม่คิดว่าชาวเมืองจากแคว้นตนตามคำของชาวเมืองคือพระเจ้า อะไรมันจะเกิดมันเมืองละว่างั้นจะรักลูกว่างั้นเพราะ แม้คําติเตียนจะพึงมีแก่เราและเราจะพึงได้บาปเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลูกพระเวสสันดรด้วยศาสตร์าได้อย่างไรคือ ทีนี้ชาว CP ก็กราบทูลว่าพระองค์อย่าประหารพระเวสสันดรนั้นด้วยท่อนไม้และศาสตราเลยเพราะว่าพระปิยรสนั้น ก็ยื่นคำขาดเข้ามายื่นคําขาดเข้ามาทีนี้พระเจ้าสรรชัย ดวงชาว CP เนี่ยจงพร้อมใจกันขับโอรสของเราจาก CP ก็รับพระราชดำรัส ทีนี้เมื่อจะส่งข่าวแก่พระ เจ้าจงรีบลุกรีบไปบอกลูกพระเวสสันดรว่าข้าแต่สมุติเทพชาวศีพ คืออันนี้เป็นคําสั่งที่พระเจ้าสรรค์ชัยบอกกับนายนักการน่ะนะให้ความว่านาย นุ่งห่มอย่างดีประพรมด้วยแก่นจันทร์สนานศีษะในน้ําแล้ว ปกติ 60,000 คนใช่ 60,000 คนซึ่งเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันไปสนทนากันไปก็ เพราะฉะนั้นนายนักการก็เลยไปที่วังอ่ะนะก็ได้กราบทูลพระเวสสันดรผู้รุ่นรมอยู่ว่าเนี่ยนะวิธีไปกราบทูลก็<ข> นายณกานนั้นก็ถวายบังคมแล้วก็ร้องให้กราบทูล ข้าพระบาทจะกราบทูล เช่นพวกคนที่มีค้าพวกพรามกองช้างชาว CP ทั้งสิ้นประชุมกันแล้วเมื่อ คือคืออยู่ๆยังไม่ทันรู้เลยนะเขา CP นี่ขัดเคืองเราเราเนี่ยยังไม่เห็นความผิดเพราะอะไรคือเกลี้ยงไม่รู้ไปทําผิดอะไรมาทําไมจึงมาไล่เรา พวกคนที่มีชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลายทั้งพ่อค้าทั้งหลายพราหมณ์ นะถูกไล่เพราะให้ทานเนี่ย จะอะไรกันนักกันนะก็ไอ้ซัพพลายนอกแก้วแหวนเงินทองขนาดหัวใจ ชาวซีพีเนี่ยนะจะขับไล่หรือจะฆ่าเราเสียก็ เทวดาดลใจเนี่ยนะก็ก็ก็เรียกว่ากราบทูลใน เนี่ยนะเข้าแทรกให้กราบทูลอย่างงี้ว่าให้ต้องไปอยู่ป่านั้นถามว่าเรื่องราว ก็ก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้น แต่ทีนี้เทวดากลุ่มนี้ก็ไม่ได้กล่าวว่า คือคือเข้าแทรกทางความ